من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أخذ الذين كذبوا. อาขศตุลละดีน ن กฟา ف ูฟะค ا าย ك ะกานะนั ا ีร์อัลลัตต์ร้อนน์อัลลอฮฺอันซาล์มิ ن สัมมาอิม่าอั فأخرجنا به ث م ا ر ا مختلفاً أ ل و ا ن أ خ ر ج ن ا به ث م ا ر ا م خ ت ل ف ا ألوانها و إ ج ب ا ل من الجبال جلدٌ بيدٌ و ح م ر ٌ م خ ت ل ف ألوانها ورمٌ مختلفٌ ألوانها ورمٌ مختلفٌ, ألوانها وحمر مختلف ألوانها و َ م ِ ن َ النَّاسِ وَالدَّوابِ و َ ا ل ْ أ َ ع َْ ا م ِ م ُ خ ْ ت َ ل ِ ف الْأَلْوَانِ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوابِ و َ ا ل ْ أ َ ع َْ ا م ِ م ُ خ ْ ت َ ل ِ ف الْ อัลลอฮ์ عباد เขาอัลลอ สิริว่าลัณย์ทัยย่รจูนาติจารสดุ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من ي ه, من ي ل ل ه, ه د ِ الله فلا مضلله ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بيك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا ว่าบิ و ت و โมตุว่าอิล أعوذ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ ت َ م َ ت ِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ س م ِ ه ِ ش َ ي ْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي ال ا ل س َّ م َ ا ء ِ وَهُوَ سَمِيعُ الْعَلِيمُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّ وَبِالْإِسْلَامِ د ِ ي ن ا وَبِمُحَمَّدٍ ا ل ر َ س ُ و ل ا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 จะให้จะทุยมีรุ่งมันคืัศจริษฐอัลัยพิชานีคุณเลวุ่นและตีนีอีลานั้นัตั้งแตารนนพัสดุอัลลอฮ์แะนิยามอัลวาคิล سلام ุกุมมาระหัตุอลลอฮ์และ بارك ัตุอัลฮะมดุลิล ل ก่อนอื่นนะครับเราต้องนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลานะครับที่อัลลอฮ์ให้เราเป็นมุสลิม เป็นมุสลินแล้วก็เรานี่อยู่ในช่วงของการถือสิ้นอดในเดือนรอมาดอนวันนี้กี่วันแล้วเนี่ย16แล้วอัลลอฮลลอฮฺอัลไบร์นะนะคับในความเมตตาของอัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์ให้เราเป็นมุสลิมนี่ก็ให้เราอยู่ในศาสนาอิสลามอันเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์พอใจคืออิสลามศาสนาเดียวนะครับและอิสลามนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในสมัย ยุคของนบีมุฮัมมัดนะไม่ใช่อิสลามนี้เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ที่ประทานให้กับนบีอาดัมนบีอิบรอฮีมนบีโนอาบรรดานบีที่มาก่อนหนะ้านบีมุฮัมมัดทั้งหมดเนี่ยเป็นมุสลิมนะอย่างโมเสสอนมุสลิมบานบีอิซาเป็นมุสลิมบนบีโนอาเป็นมุสลิมนบียูซุกเป็นมุสลิ ม, น, น, ม, ลมนะครับเป็นมุสลิมทั้งหมดไม่ใช่เป็นยิว ด, ด้วย เพราะว่าคนยิวบอกว่าต้องเป็นยิวถึงจะปลอดภัยแต่คนคริสเตียนก็บอกว่าต้องเป็นนรอสร์ถึงจะปลอดภัยอลัลลอฮ์ตอบเองเป็นมุสลิม <c oughs> ท่านบอกคำว่าวมุสลิมเนะเพิ่งเกิดไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยนบี ม, มุฮัมมัดเกิดมานานแล้วมุสลิมแปลว่ายอมจานนตน ต, อนต่ออัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงอัลฮามดุลิลลา ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับพี่น้องที่เราอยู่ในศาสนาอิสลามแล้วก็ إ ي م านต่ออัลลอฮ์และอิสลามเนี่ยเน้นเรื่องอะไรรึเล่าวเรื่องตายแล้วฟืน้นว่าอัลลอฮ์เรื่องเรื่องที่หนึ่งตายแล้วฟืน้นเรื่องที่สองอัลลอฮ์มีองค์เดียวไม่อนุญาตให้ก้มลงกราบสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็นบีมุฮัมมัดนี่เป็นรอซูลของอัลลอฮ์อัลลอฮ์แม่สเกสีก ที่คนที่ตายที่นอนอยู่ในกูโบเนี่ยอัลลอฮ์สอบกี่เรื่องสามเรื่องบางรายงานว่าสี่เรื่องสามเรื่องมีอะไรบ้างมารบรูกะใครเป็นท้าผู้อายบานของท่านมันนบียกุกะใครเป็นนบีของท่านมันอิหม่ามุกะใครเป็นอิหม่ามของท่านอิหม่า ม, มาถึงกุรานนะครับห้ามดูลิลลัมอัลลอฮ์นบีมาถึงสุนนะนบีนะครับ วันนี้มาคุรานนะครับสุราที่ฟาติอายะที่ยี่สิบกฮะาการอะไรทีวีอ่ะ ขาอที่ี่สิบหนะครับซุมมะอัลกตุลลาฎีนักฟารูฟะคฟะกะนักีซุมมะอัลกตุลลาฎีนักฟารูฟะคฟะกะนักีอัลฮัมดุลิลลาฮ์ข้อเดียวนี่ความหมายเยอะนะดูความหมายนะครับ สุมาอคอสตุลลาลีนะกาฟารูอคตแปลว่าฉันเอามาถึงฉันลงโทษนะครับและฉันอัลลีนะอคอสตฉันลงโทษอัลลีนะบรรดาผู้ที่กาฟารูทู่ที่ปฏิเสธปฏิเสธอัลลอ์ปฏิเสธนบี Muhammad ปฏิเสธอัลกุรอาน แล้วก็ปฏิเสธ ร, รุกลอีมานทั้งหข้อและปฏิเสธ ร, รูกลอิสลามอีกห้าข้อในเรื่องใหญ่หมดเลยนะแต่หากว่าส1บอข้อนีไม่มีในตัวคนใดนะคนนั้นมาเช่มุสลิมและถ้ามันเป็นมุสลิมอัลลอฮ์เรียกชื่อว่างไงนะกาฟารูผู้อะไรผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ก็กล่าวบอกว่าฟากายฟากานันากีล ดังนั้นนักบุญบว่าการไม่เห็นการไม่เห็นด้วยของอัลลอ์คนที่ปฏิเสธเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เห็นด้วยนะแต่ทำไมอัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษเหมือนคนในยุคที่ผ่านมาสาเหตุเพราะนาบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นนบีคนเดียวที่ไม่เคยขอลงโทษบ่าวของอัลลอฮ์ในยุคของนบีมุฮัมมัดมีนบีอยู่คนเดียวนอกนั้นเนี่ย ขอกันหมดอัลลอฮ์จะลงโทษบ่าวของฉันขอก็เลยนะนบีอีซาก็ขอนบีมูซ่าขอขอนบีนัวขอหมดเลยนะถึงได้มีอาดับมาดับมาดาบเต็ไมไปหมดเลยทุกทุกนบีมีอาดาบหมดเลยนะตอนตอนสุดท้ายนะมีอาดาบหมดแต่ยุค ข, ของนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นยุคเดียวที่บอกว่าอัลกิอิมาหมายมุตะจีเน่ยฟะมะฮิลฮุม อ่าไอ้ไม้รวยดาอัลลอฮุจีห์ประวิงเวลาอย่ารีบลงโทษพวกเขาเหล่านั้นนี่ประวิงเอาไว้นะคำว่าประวิงกับไม่เอาโทษต่างกันไหมต่างกันนะไอ้นี่ประวิงเวลาเอาไว้เองไปลงโทษตอนไหนส่วนใหญ่ก็ตอนตายแต่โควิดมานีนเตือนนะโควิดนี่เจ็ดพันล้านนี่ตืนหมดเลยนะ สำนึกตัวกันหมดเลยเนะี่ยถ้าสำนึกแล้วเข้าหาหลักการอิสลามเขาปลอดภัยแต่สำนึกแล้วนี่หาหลักการไม่ถูกหาทางนำไม่ถูกเราก็สงสารคนที่ฆ่าตัวตายนะเยอะนะกระโดดตึกตายฆ่าตัวตายยิงกันตายอะไรก็ตายเวลวมันหาทางออกไม่ได้แต่คนกาเฟสเนี่ยเขามันหาทางออกไม่ได้จริงๆนะแต่คนมุสลิมมีทางออกมพระกุฮานมาญานหนึ่งที่บอกว่าไงนะ วَ ت ไม่ย ا ต ل َอัลลَ ج ْ ع َ ل ญัล ه ُ م َมْ ر ร ج จาใครที่ตักวาต่ออัลลอ์คนที่สำรวมตนต่ออัลลอ์เวลามีปัญหาเดือดร้อนเนี่ยเขามีทางออกสำหรับชีวิตของเขาเขาไม่ฆ่าตัวตายแต่เราก็กลัวมุสลิมบางคนที่ไม่ฟังศาสนาเลยนะไม่ฟังศาสนาเลยฉันเป็นแขกเพราะ้ว กูอานนี่ไม่เคยอ่านเลยนะไม่เคยจับด้วยฟังก็ไม่ฟังด้วยเห็นหมอย่างนี้เราเราก็ห่วงนะนะทีนี้กูาอญญานนยายนี้เตือนนะครับว่าซุมมอะคอตุลลาซีนากาฟาลูและฉันอัลลอ์ได้ลงโทษบรรดาผู้ปฏิเสธฟานกฟากันนกีดังนั้นการไม่เห็นด้วยนะครับการไม่เห็นด้วยของอัลลอน์ของฉันนี่นะ กายฟ้เป็นอย่างไรต้องการจะบอกว่าผู้ที่ท้าทายอัลลอฮ์นั้นบั้นปลายของชีวิตของเขาเป็นอย่างไรคือนรกทั้งหมดเลยบั้นปลายทําไมต้องบั้นปลายอ่ะเพราะนาบีขอดุอาเอาไว้ไม่ให้รีบลงโทษเบาวที่ยังไม่อีมานต่ออัลลอฮ์ไม่เอาคูรานไม่เอาสุนานะนบีมากํากับชีวิตแล้วก็ไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นนี่นะ นบี ม, มุ h a ขอุดูอาวอย่าเพิ่งลงโทษอย่าเพิ่งลงโทษประวิงเวลาเพื่อให้เขาได้กลับมาเรียนอิสลามอัลฮัมดุลิลละดีได้ไหมดีอัลฮัมดุลิล ล, ล, ลก็เล่าเรื่องเก่านิดหนึ่งในสุรสาบเนี่ยอายะที่45เนี่ยอลัลลอฮ์บอกกับคนอาดับมักกะตอนที่ต่อต้านนบี ม, มุ h a อยู่ตอนนั้นนี่เขาดีกันหมดแล้วนะ แต่ล้อเล่าเรื่องเก่านะบอกว่าอาหรับมุสลิมเองกเลิกได้แล้วที่จะแอมตีนบีนะที่ขวางนบีที่ขวางซุน่านบีนะเลิกได้แล้วเพราะว่าคนที่มาก่อนหน้าอาหรับมักกะนี่นะเขามีอายุยาวกว่าพวกคุณแล้วก็ความเข้มแข็งเนี่ยร่างกายใหญ่กว่าพวกคุณใหญ่กว่าชาวอาหรับมีเงินมากกว่าชาวอาหรับ แล้วก lives, ็อายุก็ยาวกว่าชาวอาหรับเอาลอยยังไม่ปล่อยเลยอายุก็ยาวกว่าความแข็งแรงก็แข็งแรงกว่าสุรสบะนะอายาที่สี่สิ้าลองเช็คดูสิว่กาซาบลารีนมิงกอบลิห์มว่ามาบาลูมิอาชารามาตนาหุมมิอาชาแปลว่าหนึ่งในสิบคุณเนี่ยไม่เท่าเรหอบหนึ่งในสิบก็ไม่ได้ บางอุลมามะบอกว่าหนึ่งในพันของเขาก็สูงคู่สู้กัไม่ได้อายุของเขานาเจ็ดร้อยปีแปดร้อปีถึงพันปีแล้วคุณอายุเท่าไรเจ็ดสิบปีคุณอย่ามาพยองนะ <c ười> คุณอย่ามาคัดค้านคำสั่งของอัลลอฮ์นะคนที่คัดค้านคำสั่งของอัลลอฮ์ผา น, นบีคนก่อนๆ น, นี่นะอายุก็ยาวกว่าคุณท่านลงโทษมาแล้ว เงินก็ามากกว่าคุณฉันลงโทษมาแล้วเอา้าเงินขนาดไหนกรุนมีเงินเท่าไรเฉพาะลูกกุญแจอย่างเดียวน่ะไม่รู้ว่าใชา้อูชายลากี่ตัวน่ะรวยถึงขนาดนี้เนี่ยเอาลอบปล่อยมาให้สูบแพรนดินให้เห็นน่ะฝากขอทรนาเราได้สูบเขาลงไปในดินบิดาริฮิอาคารของเขาบ้านของเขา แล้วก็ทรัพย์สินของเขาทั้งหมดรวมทั้งตัวเ็าด้วยลงไปในดินอายุมากกว่าคุณเองเงินก็มากกว่าอร่อยยังเล่นงานและคุณนี่มีอายุแคหกสิบปีเองฉะนั้นอย่าอะไรนะอย่าท้าทายอัลล์สุบฮานาฮูวาละลา อ, อัลลอและอีเรื่องหนึ่งกอมูรูดอาพวกนบีรูดเนี่ยไม่มีในโลกนะที่อัลลอฮ์ลงโทษทีหนึ่งห้ารายการไม่มีนะ มีอะไรบ้างผู้นิทาไทยอัลลอฮ์หมดเลยนะฟาตอมัสนาอัยยุนฮุมอัลลอฮ์ให้เอาให้จิบรีนเนี่ยตบหน้าพวกที่มายืนล้อมบ้านน บ, บีน บ, บีอะไรนะน บ, บีลูษนะ่ะให้ส่งมาลายกาจิบรีที่แปลงตัวมาเป็นผู้ชายหนุนะ่มน่ะบังคับส่งมาให้น บ, บีลูษก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นมาลายกาเป็นจิบรีพอสแสดงตัวนิดหนึ่ง สบายใจยิ่ดีไม่ว่าไม่พอมือใช่หรอเอาปีนี่ตกหน้าปั๊บเนี่ยตาบโบทหมดเลยน่ะอยเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองครับฝ่อาคอรัตูมุซอยอะค่อัลลอ์ให้ได้ส่งเสียงดังๆเสียงกัปนาตลงมาเนี่ยหูแตกหรือเปล่าไม่รู้น่ะเรื่องที่สามห่างกันเท่าไหร่าอาจจะเป็นปีนั่นแหละขณะโรคโควิดยังหลายเดือนนะทยอยกันลงมาเรื่องที่สาม ว่าอัมตอร์นาอาัยฮิมฮิยารตัมเมนสิจีนและอัลลอฮ์ได้ส่งก้อนหินแข็งๆลงมาจากชั้นฟ้าบางอุลามะอธิบายว่ามีชื่อติดด้วยหินก้อนนี้ถูกใครใครใครมีชื่อมาเลยนะผมก็กลัวเหมือน ก, กันโรคโควิดนี่ชื่อมาด้วยนะ <laughs> บนโลกนี้ใครที่ รังแกอิสลามฆ่ามุสลิมฆ่ามุมินนะครับแล้วก็ป้นเงินของมุสลิมป้นเงินของมุมินมาดูถูกมุสลิมเหยียดหยามอิสลามระวังให้ดีนะที่ถ้ารอบมาจะเ อ, อ่ยชื่อว่าฉันมีชื่อติดมาในโลงมา ก, โก็โรคโควิดนี่จะ น, น่าอายขนาดไหนเนี่ยครับนี่แลละเอาต่อมาครับวะจัลนาอาลีฮัสาฟิลานี่อาัดาบครั้งที่สี่นะ เอาล้อพริกแผ่นดินเอาข้างบนลงข้างล่างเอาข้างล่างขึ้นข้างบนอันที่ห้านี่เก็บเอาไว้เป็นอะไรนะเป็นอะไรนะเก็บเอาไว้เป็นอะไรนะ่ะเป็นเครื่องหมายเดซี sea, ปัจจุบันนี่แห่งยังกับดั่งผู้ทิทฐาทายอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะนาลาฉะนั้นไม่มีในโลกนะครับที่อัลลอฮ์ลงโทษประเทศใดหนักเท่ากับ ลงโทษให้กับพวกนบีลูตอะลัยฮิสซาลามที่ท้าทายอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลงโทษติดต่อกันมานะไม่รู้ว่ากี่เดือนกี่ปีนะห้ารายการเนี่ต้องนึกแต่นั้นคนอาหรับสองทีอาระเบียเดินผ่านเดซีนะทําไมไม่ใช้ปัญญาบั้งแหละนี่ฉันลงโทษภูเขาเนี่ยเพราะอะไรเองเดินผ่านอยู่แล้วใช่ไหมเวลาไปค้าขาที่เมืองเยเมนเมืองชามินะก็เดินผ่านประเทศนี้อยู่แต่คุณได้ข้อคิดอะไรบ้างรบมาถึงพวกเราวันนี้ ที่ไปเที่ยวที่เดทฟรีนะได้ขอคิดอะไรเนาตรงนี้อะไไม่ได้ฉะนั้นสัพ์ตรงนี้มีอยู่คำหนึ่งนากีรุนฝากายฝากานากีนักิดการไม่เห็นด้วยของอัลลอ์นั้นกับการปฏิบัติของคุณอัลลอฮ์สั่งอย่างหนึ่งคุณทำอีกอย่างหนึ่งอลัลลอ์ลงโทษยังไงโอ้นี่เป็นข้อเตือนใจนะฝากายฝากานากี การไม่เห็นด้วยของอัลลอ์นั้นเป็นอย่างไรนั่นคนที่อ่านกูร์านได้ข้อเตือนใจเยอะมา ก, ะกนะครับต่อมาญาติจีสุดเจอัลตรออัลลอฮฺอันซาลาห์นสสวรรค์มาฟาคราจนาบิฮิสัมารอติมุขเตลิฟันอัลวานุฮ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِ بُسُودٌ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ أ َ ن ز َ ل َ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرجنا به ِ ث م َ ر ا ت مختلف ًِ ا ألوانها ومن ِ الجبال َ ج ُ د د بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب ب, و و و ب ُ و ر الحمد لله الحمد لله อายานี้อายาที่ยี่สิบเจ็ดในอัลลอฮ์พูดถึงความสามารถของอัลลอฮ์คือว่ากุดรอตูฮูความสามารถอันสมบูรณ์ยิ่งนี่เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังในกัมพีคุรานนี่เป็นความสามารถของอัลลอฮ์นะอะไรบ้างครับอัลลัมตาลอตารอบนะว่ามุฮัมมัดไม่เห็นหรือเพราะกุรานนี่ประทานลงมาให้ก น, นบีมุฮัมมัดจะพูดถึงคนอื่นไม่ได้ อลัมตาโรท่านมุฮัมมัดไม่ได้เห็นดอกหรือไม่เคยสังเกตดอกหรือไม่เห็นดอกหรือว่าอันอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยอันซาลาได้หลังหรือให้ลงมาได้หลังลงมามินัสะมาจากชั้นฟ้ามาอันนามทาไมพูดบ่อยๆก็เป็นเรื่องจริงอ่ะ คนที่บริหารน้ำเนี่ยใครอัลลอฮ์คนที่ให้ฝนตกลงมาจากชั้นฟ้าอัลลอ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆทำได้ไหมแสดงเหตุหน่อยถึงได้กล้าพูดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดนะสังเกตไหมเนี่ยแล้วก็ฝนเนี่ยลงมาจากฟานฟ้านเนี่ยบางทีก็พูดเรื่องมาอันปะวันน้ำบางทีก็พูดมาตอนร้อนหมายกว่าฝน ให้คนอ่านให้นบีไดชาปัญญาอจะเป็นน้ำหรือฝนก็เป็นน้ำฝนที่มาจากชั้นฟ้าทั้งหมดนั่นแหละทีนี้พอให้น้ำฝนตกลงมาถูกแผ่นดินเนี่ยทีนี้น้ำฝนนี่เปรียบเปียบ เ, ยบเียบเสมือนอะไรในคุอ่านนายะอื่นอธิบายว่าเปรียบเสมือนอิสลามนะละเปรียบเสมือนอิมานหรืออิสลามแผ่นดินที่ตายเนี่ย เหมือนกับคนที่ไม่มีศาสนาอยู่บนโลกใ บ, ใบนี้เวลาให้ฝนตกลงมาปั๊บเนี่ยแผ่นดินตรงนี้มันมีชีวิตชีวาก็มีพืชขึ้นคนก็เหมือนกันเมื่อก่อนนี้ไม่มีอิสลามจะมากประมาณตั้งแต่นบีอิสามาดบบีมัมต์ประมาณ5้าร้อกว่าปีเนี่ยคนชุดนั้นร่วมช่วงนั้นนี่นะศาสนาไม่มีนะ อ, อัลลออภัยโทษไดบ้บางอุลามะอธิบายว่าอลัลลอไม่เอาโทษอนะ พอนบีมหามัดมาเอานำเอาความรู้มาเหมือนกับนําฝนนั่นแหละเราก็วันนี้มาเป็นมุสลิมอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนกับอรอให้ทางน้ำผ่านนาบีมาแบบน้ําฝนเหมือนกันถ้าเราไม่มีอิสลามไม่มีอิมานเราจะบวชไหมเราคงไม่บวชป่านี้ยังนอนอยู่กับภรรยาอยู่เลยใช่ไหมละ่ะตื่นกว่าไม่ตื่นสะฮุดกว่าไม่รู้เวลานามาดกว่าไม่รู้ ยิ่งด้วยความเมตตาของข อ, i, อลัลลอเนี่ยอัลลให้มานะครับอต่อมาครับฟะอัครจยานบิฮิสมรอดสมรอดแปลว่าผลพืชผลผลไม้อ่าสมรอดแปลว่าพืชผลหรือผลไม้พอน้นำฝนตกลงมาเนี่ยจากชั้นฟ้ามาถูกแผ่นดินทำให้พืชผลเนี่ยงอกอัครรจ่าแปลว่างอกออกมา <Yeah. S 2> นี่ความสามารถของใครอ่ะอ่าของอัลลอฮ์ชี้ให้น บ, บีเห็นให้นให้น บ, บีมาสอ น, นอ่ะเอาอย่าลืมนะดูนะสังเกตดูนะน้ำที่อยู่บนชานฟ้าเนี่ยอยู่ในก้อนเมฆด้วยนะแล้วจะให้ฝนตกลงมาน่ฉันให้มล า, ายก้านนี่ต้อนก้อนเมฆจะไปตกตรงไหนก็ได้เลาอับัตให้ฝนตกลงมาเป็นน้ำพอน้ำมาถูกแผ่นดินทำให้ต้นไม้งอก เงยขึ้นมีผลไม้ต้องการจะเล่าเรื่องสีอาย่านี้ต้องจะเล่าเรื่องสีอย่างเดียวนะสีสีสีภาษาอ ร, รว่วารังรังนะอัลวาเล่าเรื่องสีอย่างเดียวนะมุขตลิฟันอัลวาโนฮามุขตลิฟแปลว่าหลากหลายคำเด มุขตลิแปลว่าหลากหลายอัลวานุฮาสีมีสีมีหลายสีหลากหลายแตกต่างกันไอ้สีนี่ใครให้มาเราก็เห็นสีมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่ได้นึกนึกว่าธรรมชาติที่ไหนได้ร้อนเล่า ว, ว่าสีนี่ฉันให้มานะ่อเห็นไหมนี่จะเล่าเรื่องสีอย่างเดียวเห็นไหมล่ะ ให้ต้นไม้งอกเงยขึ้นมามีกี่สีเคยสังเกตไหมล่ะ อ, ลอ๋อนี่ถ้าอัล๋อไม่ชี้นำเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันน่ะอล๋อต้นไม้มีกีก่สีใช่ไหมมองดูมันก็เขียวไงละลองไปมองดูสิเดี๋ยวต่อไปก็มีสีนูนสีนี้ตามมาเต็มไปหมดเลยนะ่ะนี่ความสามารถของใครอะ่ะสีจากต้นไม้ทําให้มนุษย์ชายปัญญาต่อไปอีกต่อยอดได้อเต็มเลยนะ อ่านดูนก็เหมือนกันนกที่เราบินบินอยู่เนี่ยอัลลอ์วรกลไบางทีหัวแดงหัวขาวหัวเขียวหัวนูนหัวนี้สังเกตนะไอ้สีเหล่านี้นะมาจากใครอัลลอฮ์สุพานหัวตาลาต่อมาอีกนี่เล่าทเรื่องผลไมนะ้นะพืชผลธัญญาหารต่างๆที่ออกมานั่นเขียวขจีมีหลากสีเรื่องที่สองอายันนี่วามินัลจิบะ ให้สแกนดูภูเขาเมานเทินะครับป่าหารนะมีอะไรภูเขาก็มีหลากสีเหมือนจันเลยเอัลลอเล่าในะคร์อุลอ่ามีสีอะไรบ้างยูดุดเป็นริ้วเป็นแถบยูดุดประวัาริ้วกับแถบมองภูเขาลงมานะครับมีกี่สีนะ Akbar, อลัลลอฮ์อัลบัดอัลลอฮ์ชี้เลยนะบบดุนสีขาวยังไม่พ อ, อครับฮมรุนสีแดง เออสีขาวก่อนแล้วตามโดยสีแดงเห็นไหมแล้วมีอีกกี่สีสังเกตดูสิเยอะๆไปหมดน่ะสังเกตดูอัลลอฮชี้ให้เห็นเพียงสองสีก่อนนะสามสีอายานีหนึ่งสีขาวสองสีแดงมุคตะลิฟุลอัลวาสีของมันแตกต่างกันพิจารณาดูมันหลายสีนะและลงท้ายด้วยวารอบีดำสนิดอ๋อสีดำ สูดุลภาวา ด, ดํากรอบีประวัติสนิทดําสนิทดําแบบธรรมดาเล็กๆน้อยก็ดําดําสนิทก็มี่เห็นไหมนี่ชีย้ยใครเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังนบีไม่ต้องเรียนหนังสืออัลลอฮ์ส่งความรู้ผ่านยิบรีนมาให้นบีทุกความรู้หมดเลยเราเองก็หูตาสว่างอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์เล่าเรืงสี Allah, อัลลอฮ์วัคบัตผลไม้ก็มีหลายสี ภูเขาก็มีหลายสีมีสีอะไรบ้างสีขาวมีสีแดงมีสีดำมีดำสนิทมีนี่ต้องการจะอธิบายว่านี่คือความสามารถของ Allah s u n a a t a อัลลอยิ่งใหญ่นะอุลามอธิบายอย่างนี้อาญาเนี่ยอธิบายอย่างนี้คนกาเฟ่กับมุสลิมก็เหมือนกันดูคนก็เหมือนกันคนก็เหมือนกัน น, น, นะคนเฉพาะ เฉพาะคนอย่างเดียวนะมีกี่สีใช่ไหมสีขาวมีใช่ไหมสีเหลืองอย่างพวกเราเนี่ยมีแต่สีดําอีกล่ะเห็นไหมที่เห็นกันแล้วก็สังเกตดูจริงๆนะมีหลายสีนะคนเนี่ยขนาดดาก็ดําอะไรนะดําดําแดงแดงใช่ไหมเนี่ยบางทีขอบเดียวๆกันะ่ะมีตั้งกี่สีใช่ไหมล่ะเอาเรื่องสีนะแล้วก็เสียงอ่ะ เสียงบางคนพันคนนี่เสียงไม่เหมือนกันสักคนนึงนะสักเกนนะเห็นอย่างนี่ความสามารถของกายของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาละแล้วคนกาเฟ่กับมโมมินนี่ี่สายตา ไ, ไหมมั้ยล่ะการแต่งตัวก็ต่างการสังเกตครับอัลลอฮฺคนโมมินจะเข้าห้องน้ํานึกเออเออท้าไหนเท้าไหนเท้าไห น, หนใช่ไหมแต่คนกาเฟ่นึกไหมรอให้เจอส้วมก็พอแล้วแต่เราต้องนึกขนาดเจอส้วมแล้วยังต้องนึกว่า เอาเท้าหนาดูอาบทหนาใช่ไหมชีวิตต่างกันอย่างกระฟากระดิน่ะฉนต้องขอบคุณอัลลุบฮาน า, าูักตากอรอบีปปว่า ด, ดำสนิทมาจากซาบวารบีบุญ ร, บ, ร, บ, นะรบีกอรอบีนะรบีจะเป็นเอกพจน์กอรอบีเป็นจามะเป็นทหุพจน์นะซูดุนแปลว่าดำสีดำกอรอบีดำสนิท ด, ดำเป็นสีนินั่นแะหละอัลฮัมดุลิลลา อายาที่ี่ินี่พูดกี่เรื่องนะหนึ่งผู้เรื่องเอาน้าฝนตกลงมาจะาฟ้าๆนี่เป็ความสามารถของอัลลอฮ์คนอื่นทำได้ไหมเชิญแทนกับอัลลอฮ์เลยเรื่องที่สองเมื่อพืชผลออกมาสังเกตนะมีหลากหลายหลายสีนะผลลมามีหลายสีนะอันที่สามภูเขาก็มีหลากสีเหมือนกันอัลลอ์เอ่อเออยอะไรบ้าง สีขาวสีแดงเห็นไหมแล้วก็สีดำนี่เป็นความสามารถของอัลลอฮฺสุบฮานาห์บุตะละเขาเรียกว่าแม่สีเนี่ยเราเล่าเรื่องแม่สีนะแต่เอาไปผสมสีดแดงกับดำออกมาเป็นยังไงได้อีกหลายสีเลยพวกช่างมันเก่งดังนี้นะเอาต่อมาอายาที่ยี่สิบแปฮัมดุลิลละวะมินันซิวัดดาวบ والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غ ف و ر الله أكبر ومن الناس و ا ل ا ب والأنعام مختلف الألوان كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. อินนัลลอฮ์อาซิสุนวะฟูรอัลลอฮอัลลอับบาดปานี่พูดถึงเรื่องการแสวงหาวิชาความรู้อย่างครับมุสลิมทุกคนต้องเรียนหนังสือครับจะอยู่แบบเฉยๆเรียนคุรานเล่มเดียวนี่เละพี่น้องรู้ทุกเรื่องเลยใช่หรือไม่ใช่ ด็อกเอร์ิสเปนรูดรีเจอผมเขาก็เล่าว่าบรรดาในยุค ข, ของสว่านดัมบีเขออาอ่านหนังสือเล่มเดียวอา่านอะไรคำพีกุรานแต่ในยุคพวกเราเนี่ยอ่านหนังอา่านหนังสือทุกเล่มยกเว้นคนอ่านไม่ได้อา่านโอ้โหนี่มันโอ้โหแสบนะเนี่ยอ่านนี่อ่านคนอานนี่นะดับีเนี่ยล้อ ว่าให้ความรู้ผ่านอุษุนให้ท่นานนบีเนื้อรู้ทุกเรื่องเลยนะอ่ามาดูเรื่องนี้อะไรบ้างอะเร่างอะไเรื่องสีด้วยใช่ไหมแล้วก็เรื่องที่สองเรื่องความรู้อัลลอฮฺฉะนั้นความรู้เนี่ยกับอิสลามเนี่ยมันของคู่กันนึกได้ไหมล่ะอายะห์แรกที่อัลลอฮฺประทานในะหน้ท่านบีมูฮัมหมัดน่ะอายะห์ไหนที่คูเขาอะอิกรราะนั่งอะแปลว่าอะไรจงอ่านรีด อิกรออิกรออิกรอยิบรียมาก่อนนบีนบีว่ามานาบีกอนหรอันอ่นไม่เป็นยิบเรียก็รัดอีกถึงสาครั้งอิกรอมิสเมร บ, บีกันละดีคอลักอห ล, อ, ลอินทรีที่เป็นความรู้หมดเลยเห็นไหมฉะนั้นมุสลิมจะอยู่ตรงไหนของโลกก็ตามต้อ ง, งเรียนถ้ามุสลิมเรียนหนังสือนี่นะนสง่างามมากเพราะเป็นงี้ความรู้มีสองอย่างนะครับความรู้ที่โยงกับอโล เนี่ยความรู้อันนี้มีมีบระกัศกับความรู้ที่ไม่โยงกับอัลลอฮ์ความรู้นี้ไม่มีบัระกัดสเกตคนที่มีวิชาความรู้แล้วยงกับ Allah, นะ อ, อัลลอฮ์นะเขาเรียกอุลามานะเขาถอมตนหมดไม่มีใครเย่อหยิ่งจองหองอวดดีสักคนนึงเขานอบนอบ้นอมถอมตนหมดเลยครับแต่คนที่มีวิชาความรู้แล้วไม่รู้จักอัลลอ ไม่โยมกับอัลลอฮ์นี่นะส่วนใหญ่แต่ตะกบบุตรหมดเลยเยาะยิงจองของอวดดีอบาวสตักบารวากเกรมินอลกาฟิินอัลลอ์เนีช้ตอนนะใช่นั้นเนี่ยมาอัลนะมนอบุลฮสซันนี่พูดดีมากเขาไปยุโรปมาเขาบอกโอ้คนคนยุโรปไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีอิสลาม ไม่เป็นมันจะเป็นมุสลิมแต่เขามีอิสลามอิสลามด้านความสะอาดนะด้านตรงต่อเวลาเขามองด้านนั้นนะมันจะด้านอกีด้านนะคนอินเดียเนี่ยมุสลิมเยอะเป็นมุสลิมเยอะแต่อิสลามไม่ไปมีตรงเวลาไม่มีอะไรทั้งไรต้องการจะเตือนนะเนี่ยอายาเนี้เตือนนะเตือนว่างไงรู้ไหมว่ามีนั่นสแสลนในหมู่มนุษย์ ในหมู่มนุษย์เนี่ยก็เหมือนกันนะแตกต่างกันไหมแตกต่างกันมนุษย์มีลักษณะไม่เหมือนกันไหมท่าทางเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันสีผิวเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเสียงเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันวิธีการดำเนินชีวิตก็แตกต่างกันลูกเราห้าคนเนี่ยนิสัยเหมือนกันไมล่ะไม่เหมือนกันพ่อแม่ต้องฉลาดนะดูแค่นี้นบีเลยสั่งนะ เราจะให้ของลูกนะให้เท่าๆกันแต่ถ้าจะให้ใครมากกว่ากันต้องให้กับลูกผู้หญิงนี่น บ, บีศอนอะ่ะคือบางทีเราคิดจะไ้ไม่ออกหรอกอบางทีเรารักลูกผู้หญิงมากกว่าผูชายก็โอเคถ้าลูกผู้หญิงนั่นแหละมันก็ผิดนะนะที่ถูกต้องคือแบ่งให้เท่ากันไว้ก่อนแต่จะให้อะไรพิเศษกว่ากันน่ะให้ควรให้กับมอบให้กับลูกผู้หญิงนี่น บ, บีพูดเองอะ่ะ เอาเวลาเราไปทำํำฮัททำอมรอ ก, กลับมาใช่ไหมขามาเอาซื้อของแบ่งแบ่งเท่ากันค่าท่ายพิเศษน่ะให้กัลก บ, บนนลูกผู้หญิงนี่นบินแนะนำเอาไว้ะพอลูกผู้หญิงนั่นเสียใจง่ายกว่าน้อยใจกว่าเก่งอะไรก็เก่งใช่ไหมลนะ่ะยิ่งพ่อเอียงเอียงนิดนึเอาวละไมีปัญหาเลยฉะนั้นพ่อก็ต้องวางตัวให้ดีนะนี่อิสลามข้อสอนนั้นชี้นำเอาไว้ฉะนั้นลักษณะของอันน้ามนุษย์นี่นะไม่เหมือนกันลักษณะไม่เหมือนกันเสียงไม่เหมือนกัน อัคลากไม่เหมือนกันบ้านเดียวกันอัคลากยังไม่เหมือนกันฉะนั้นพ่อแม่ต้องต้องเรียนาศาสนาเยอะนะนะครับต้องอ่านกูณอ่านเยอะๆถึงจะได้ข้อคิดเรื่องที่สองนะครับวัดเดวะบะแล้วก็สัตว์โอ้โ oh ห oh. สัตว์สัตว์นี่นะครับสัตว์บรุสัต์สัตว์เลื้อยคลานอ่าสัตว์เลื้อยคลานสังเกตสองขา งูงูเท้าไม่มีแต่มันเลื้อยได้เห็นยังครับความสามารถของเราใช่ไหมทำดุริเลเดวะอัลลอฮฺอัลหุบดุริเลสัตว์เลคานนะแล้วก็มีอีกสัตว์พวกลาพวกล่อ พ, พวกนี้ตัวเล็กๆนี่นะต่อมาครับเอาแยกกันนะวัลอะนามสัตว์ตัวใหญ่ๆมาถึงปะสุสัตว์เช่นอูอควายอย่างนี้ใช่ไหมตัวใหญ่ๆนี่จะมานั่งกับประเภทหนึ่งให้สังเกตดู Allahu Akbar. Alhamdulillah. ต้องการจะเล่าเรื่องสีมุขตลิฟันอัลวานุมีอะไรนะมีหลากสีมีหลายสีในมนุษย์ก็มีหลายสีในสัตว์เกลือยคานก็หลายสีสัตว์ยหญ่ๆปะสุสัตว์เช่นอูฐก็ ม, ม, มกีหลายสีมุขตลิฟุนอัลวานูมีหลากสีหลายสีเพื่ออะไรเพื่อต้องการจะให้มนุษย์นึก นี่เป็นความสามารถอันยิ่งใหญ่ของอัลลอ์สุบฮานวตาอาต่อมาครับกาลาลิกในทำนองเดียวกันอัลฮัมดุลิละคนที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับมี اء, อุลามะมีอุลามะคนที่เรียนหนังสือมีไหมมีและไม่เรียนมีเรียนแล้วไม่โยงกับอัลลอ์กับโยงกับอัลลอ์นิสายต่างกันไหมต่างกันอัลลอฮ์เล่าให้ฟัง อินนามแทจริยักษ์ชาลอผู้ที่กลัวอัลลอ์อ่ายักษชาไปว่ากลัวคนที่กลัวอัลลอฮ์ทำไมพูดเรื่องกลัวอัลลอฮ์ก่อนเพราะการกลัวอัลลอฮ์นี่สายเปลี่ยนคนถ้ากลัวอัลลอฮ์นีสายจะเปลี่ยนถ้าไม่กลัวอัลลอฮ์นี่สายก็จะเปลี่ยนเหมือนกันในทางเย่อหยิ่งกับตะกรบด แต่ถ้ากลัวอัลลอเป็นทุนทุนเดิมอยู่แล้วนะนิสัยจะเปลี่ยนแปลงอินามยาชลอในทรรนองเดียวกันกับาลิกผู้ยำเกรงนะครับคนที่เกรงกลัวอัลลอฮฺมินไอบาดีจากปวงเบาของพระองค์ใครรู้ไหมอัลลอมาคนที่มีวิชาความรู้ อุลมามะเท่านั้นแหละที่จะกลัวอนะัลลอฮ์คำว่าอุลมามะไม่ใช่มีความรู้อย่างเดียวนะอุลมามะเขาเน้ น, น, นเน้นว่าความรู้คือความรู้เรื่องอัลกุราอานไม่ใช่ความรู้เรื่องแมทติกเรื่องเลขโอ้เรื่องอะไราตาอะไรที่มีเกี่ยวโยงกับอัลกุรอานเขาไม่กลัวอัลลอฮ์สักคนนะครับฉะนั้นความรู้ เรื่องอัลกุรอานความรู้เกี่ยวกับสุนนะนบีความรู้ประเภทนี้ต่างหากนี่จะทำให้เขานั่นนอบนอบ้อมถ่อมตนกลัวอัลลอสุบฮานะฮฺลลอาเข้าใจเรื่องสุนนะนบีอย่างเดียวนี่ก่อนิสัยก็เปลี่ยนนะอาแค่ทานอาหารสหฮ์เนี่ยคนที่เข้าใจสุนนะนบีนี่นะเขาก็ไม่ทานเยอะหรอกกินฟาลามกับสามเม็ด นบีพูดว่าวันเรายุราตมาอินน้ำสักอึกหนึ่งสะฮุตนะพอแล้วแต่มีใครทำไหมหละ่ะมีไหมมีคุณอุลมาม่าเขาทำกันใช่ไหมหละ่ะไอคนที่เป็นมุสลิมแต่ไม่เคยสนใจสุนนะเนี่ยโอ้โหนี่สะฮุตนี่หนักนะโอ้ขนมขนมอะไรกับอะไรเต็มไปหมดเลยกลัวจะแย่ นี่สะโฮดนะแล้วก็กินเรื่อยจนะต้องอาซาในความจริงเขาต้องหยุดก่อนอาซาแเราไปอ่านกุรุอานสัก50อายะนี่สุนหานขอท่านนบีท่านให้รูปแบบไว้อั น, นสง่างามไหมสง่างามหมดเลยนะทำอยู่เรื่ะยๆเอาต่อมาครับอินนามะยาข์ัลโลฮามินไอบาดิฮิลอัลลมานท่าน อ, อัอบดุลลาอิบนิมัสอุนอธิบายบอกวา่า ليس العلم بكسرة الحديث ولكن العلم عن كسرة الخشية أروع กว่าคนที่เป็นอาลิมไม่ใช่เรียนหะดีษมายุไม่ใช oh, ่คนที่เป็นอาลิมก er ็คือคนที Floyd, so so ่กล so so ัวอัลลอฮ์ถึงมีความรู้เยอะแต่ไม่ไม่กลัวอัลลอฮ์เท่าไหร่ยังความสุนนะนบีมีเปล่ามี สุน่านาบีไม่ให้เข้ามัสยิดฉันเคยได้ยินไหมขอแตะนี้ทั้ง น, นะนสุน่านาบีไม่ให้เข้ามัสยิดฉันสุน่านาบีไม่ให้เข้าหมู่บ้านฉันฉันจะอยู่แบบประเพณีปฏิบัติตามปู่ย่าตายายอย่างนี้แหละ้าเองจะสอนต้องสอนตามนี้นะอย่าพูดแตะฉันนะเรื่องสุน่านาบีอย่าพูดนะไม่ได้ พักไคพูดถึงสุนานะนบีเองนาความแตกแยกมาสู่หมู่บ้านทันทีนี่นเหมือนกันไหความจริงมันต้องเรียนสุนนะถึงจะเข้าใจอิสลามดันไปขวางสุนนะและเข้าใจสุนนะจะเข้าใจกุ อ, าอ่านได้ยังไงวะเพราะสุนนะนบีอธิบายกุอา่านทุกอายะเลยเนี่ยไม่เห็นเฉนั้นไซนาอัมดุลละอิกนะมัสอูดพูดว่าไงถูกไมยสลัยลมุบิกัสฮติละะดิษนี่อีความอิบ อ, อมุกเซีร ว่ล้กินอะไมาอันกัสวติลขัชยาแต่คนที่มีความรู้ก็คือคนที่มีกลัวอัลลอ์สุบฮานะฮุตาละอัลลอฮฺเอามาดูซอบ้านนบีอีกคนหนึ่งครับชื่อกูไยซ้อเนี่ยเล่าในฟันหลายหลายครั้งท่านกูไบซ้อเป็นอย่างนี้มาหาท่านนบีบอว่ายาร س و ل อลลอฮสอนฉันเรื่องอิสลามกับเรื่องอีมานละซุนนะนบีอีกสอนฉันเรื่องอิสลามที่มาจากอัลล สอนเรื่องอีมานที่มาจากอัลลอฮ์และสอนเรื่องสุนนะทําไมคนเนีนสุนนะก็ล่ะเพราะสุนนะเนี่ยมันตัวทําให้เขาได้นอบน้ อ, นอถมถ่อมตนถ้าไม่เรียนสุนนะจะรู้กุณอ่านได้ยังไงสอา น, นาบ้านอบดุลเบิดทำยังไงพ่อเรียนสุนนะต่างหากละ่ะถ้าปฏิเสธสุนนะเราจะรู้ได้ไงว่าอิหมามชาบีทํำยังไงฮานนฟีทํำยังไงมาลิกีทํำยังไงถ้าไม่เรียนสุนนะไม่รู้ทั้งสี่อิหมามนี่นะปกป้องสุนนะหมดเลย จกอุลมามะบเราขวาสูหน้าหมดเลยอัสตรุ ล, ลอยย่าพูดนี้มันกระเทือนหลายคนนะพนนนี่น้องทดลอาทีนี้รับท่านซาบินอิบรอฮิมพูดบอกว่าอัตกควุมลิรอมคนที่มีความรู้เ่ยฟิก้นักฟิก้ทั้งหลายเนี่ยก็คือคนที่กลัวอัลล์มากครับท่านสุบยาเนซาลีอธิบายว่าอุลมามะนั้นมีสามแบบ อัลอุลามะซาลตนอาลิมบิลลาฮีอาลิมรู้เรื่องอัลลอ์อย่างดีเรื่องสิ่ัตอัลลอ์อย่างดีนะครับเขาจะกลัวอัลลอ์อันที่สองอาลิมอัมริลรู้เรื่องคาสั่งของอัลลอ์อัลลอ์สั่งอะไรก็รู้หมดแต่ไม่ค่อยกลัวอัลลอฮ์เรื่องมรดกแบ่งยังไงอะไรฮารอมอะไรฮลลโอ้โหรู้ละเอียดยิบแต่ไม่ค่อยกลัวอัลลอ์เท่าไหร่นอุลามะสุบยาสุรีนะ อาลิมบิลลาฮลาอิสบอาลิมอั ม, ม, ม, มอัลลมอมริลบางคนรู้เรื่องอัลลอ์อย่างเดียวแต่ไอเรื่องความรู้อื่นๆไม่ค่อยรู้เขาก็กลัวอัลลอฮ์ได้เหมือนกันรู้เรื่องอัลลอ์อย่างเดียวนี่และแว่าอุลมานี่สำคัญมากนะแต่อุลมะมีความรู้เรื่องอัลลอฮ์เยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไงนอบน้อมแล้วก็ถ่อมตนต่ออัลลอ์สุบฮานาหะอรอาทีนี้มาดูครอบครัวรนบี เกี่ยวกการจะพูดเรื่องความรู้นะเอ่อนบีอิบรอฮมแล้วก็นบีอิสมาอิและอิสฮะยะกูบอ่ายะกูบนี่เป็นหลานนบีอิบรอฮมนะเป็นลูกของนบีอิสฮนบียากูบเนี่ยคุณอ่านอัลลอฮ์เล่าให้ฟังเล่าให้นบีฟังนบียากูบเนี่ยตอนตอนจะตายเนี่ยทำยังไงมานาบุญละซันชอบั่วพูดเรื่องนี้นะครับ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 วะนะฮ์นูร์เวมุสลิมูนสุรบะกอ์อัลยาที่หนึ่งร้อยสามสิบสามอธิบายยานี้เพิ่มเติมนบียากรุอลลอฮิสซาลามเนี่ยนี่ครอบครัวนบีนะครอบครัวนบีเนี่ยยังเป็นห่วงลูกเลยต้องการจะเตือนอะไรเตือนพวกเราวันนี้เราน่ยมาจะครอบครัวนบีสักนิดนึงกลัวจะไม่ห่วงลูก ห่วงแต่เงินเงิๆๆๆนเงินนบียไม่ได้ห่วงเงินแต่ห่วงลูกตอนใกล้จะตายตอนเจ็บในสบายเนี่ยเรียกลูกมานะครับอิสโกาลาริบานีมาตาบูดูนัิงบาดีเรียกลูกมาประชุมเพราะครอบครัวใหญ่มากนาบียาคุบน่ะมีลูกสิบอ็คน น, นบียูซุปด้วยน่ะี่มาประชุมหมดเลยาถามว่าหลังจากพ่อตาย พวกพวกเองทั้งหลายนะี่ยลูกลูห ล, ลานทั้งหมดเป็นร้อยนะจะกราบใครจะบูชาใครจะพักดีต่อใครนี่ครอบครัวใครนะครอบครัวนบีนะเขายังเป็นห่วงลูกหลานเลยนี่เตือนนบี ม, มั h ม m a ให้ห่วงลูกห่วงหลานเออแล้วเราวันนี้อ่านกุณอานอายานนี้ต้องนึกฉะนั้นการเรียกประชุมครอบครัวเราเนะ่ะ คุณอยู่เป็นสุขเนี่ยเรียกมาป ร, ประชุมไม่หมดเอาศาสนากี่คนไม่เอากี่คนครอบครัวา ม, มารักคุลเอาศาสนากี่คนเช็คดูเราอยู่คนเดียวอเลมอยู่ไม่ได้ต้องลงไปดูแลคนอื่นก็ด้วยเพราะเอาความรู้จากนบีญาติปุบอะลาอิสลาไปใช่สิเขาเป็นห่วงลูกหลานกันงยังไงเรียกประชุมปีละครั้งก็ยังดี คือสองปีครั้งก็ยังดีเลี้ยงอาหารมาเลยเชื้อแพึ่งตัวเอาเอาเอาควายก็ได้หัวก็ได้เลี้ยงไปเลยฟรีต้องการจะพูดเร่งศาสนานี่แหละเราอกบัตินี่ทำอย่างนี้ดีได้ไม่ดีทำอยู่ลีลายิ่งใหญ่ครับนะครับผมก็ด่าครอบครัวอยู่ประสุก์ไปก่อนหนึ่งนะเพราะเรานำตะกูลเดียวกันถึงจะด่าก็ด่าไม่ไปเจ็บอยู่ลีลายไม่เป็นว เขาเป็นห่วงเรื่องศาสนาชัื่ความรู้ถ้าไปมีความรู้ด้านอื่นและไม่รู้จักอัลลอฮ์อย่างเดียวน่ะพลาดมหมล่ะโอกาสพลาดสูงมากเลยนะครับเอามาดูนบีครอบครัวนบีมุฮัมมัดยัยูฮัลลดีนอามานูกูอัมฟูสะกุมวะลีกุมนาโรนี่ครอบ ค, ครัวกลยยุค ข, ของมุฮัมมัดนบีสอนเองนะกูอ่านประทนกันให้นบีบอกว่า อุบรดาผู응 oh, the again, heart, ้อิมานเอ๋ยจงปกป้องดูแลตัวของท่านให้ดีและครอบครัวของท่านลูกหลานของท่านให้ห่างไกลจากไฟนรกอัลลอฮฺห้ามดูแลแต่หนาบีไม่ใช่ห่วงครอบครัวนะห่วงมูทคนทั้งโลกเลยอัลลอฮฺก็ปลอบใจนาบีซยญะตุคูลูนัฟีดีนิลลาฮีอาฟูฮะยหลังจากพิชิตนครมักกะแล้วหลังจากนั้นถึงวันนี้ถึงวันกิยามันะ คนจะเข้ารับอิสลามศาสนาของอัลลอ์เป็นมูมูห์นบีสะลาจัยอัลฮัมดุลิลล์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮอักบะฮแล้วก็ก่อนตายนบีสั่งอะไรหรือเปล่าวัซยัดนะสั่งสองเรื่องนะอาสซลาอาสซลาว่ามาเมลกัดไอมาดุกุมนมาดยาคารแล้วก็ดูแลคนอยู่ใต้บังคับบัญชาท่านให้ดีมีมีลวงจงหลูงจ้างเป็นดาเขาไม่ได้นะ มีลูกจ้างมีลูกน้องเนี่ยด่าก็ไม่ได้พูดกับเขาดีๆ ด, ดูแลเรื่องอาหารการกินเสื้อผ้าต้องดูแลเขาอยา่างดีห้ามดา่าเด็ดขาดเลยนะนะครับแล้วก็อัลลอฮ์เนี่ยส่งมามาช่วยงานคุณเอาต่อมาอายะสุดท้าย <S <S อินนันลลดีน Allah, <S <S ัยัตลูนักิตาบัลลอห์วะอากามุสาลา ว่ามฝั ا งคู่มิมาระดักนั้ ا ن ِ ي มศิริว่าเล่าเนียยารจุนาเจโร ب ันลันทบูอัลลออัลบัลติจิกอ ذ น ي ัีนัยึดลูนกิตาบอัลลอฮฺและอัลกามุสซาลา وأنفقوا مما رزقناه من س ر و ا وعلانية يرجون نتيجة لنتابور الله أكبر ดีจริงๆขยานี้ต้องการจะอธิบายเนี่ยที่เรื่องเนี่ยหนึ่งเรื่องการอ่านอ่านคำพีของ a l l a ฉะนั้นเดือนรอมฎอนคนที่ถือศีลอดต้องยัตลรูนะจิตาบลลนี่เตือนนะต้องอ่านคำพีของอัลลอฮ์ทุกวันนี่บางคนรอมฎอนผ่านมาสิบวันบางคนจบไปแล้วหนึ่งจบมีไหมมีบางคนก็เริ่มอ่านได้อะไรนะได้วลลยุทธนะนังก็มี บางคนยังไม่อ่านเลยมีไหมนี่เงเตือนเตือนเือนี่กูอ่านเตือนนะเตือนอัลลอฮ์จิบรีมาบอกกับนบีให้นบีมาสอนอย่าลืมอ่านกุณอ่านเป็นมุสลิมทิ้งกุณอ่านไม่ได้ยิ่งถือศีลอดนี่อ่านกุณอ่านถือศีลอดด้วยอ่านกุณอ่านด้วยต่อมาเรื่องที่สองวะอักออุสซอลให้มันอะไรมาก่อนนมาม อ่านหนังสือก่อนหาความรู้จากกุณอ่านก่อนแล้วก็ไปนมาสกาหลังเช่นกันครับอะไรสําคัญกว่าการศึกษาหาความรู้สําคัญเราชาวบ้านก็มองเป็นมุสลิมไ ม, ไม่เอาไหนใช่ไหมล่ะวันนี้เราถูกถูกตำหนิไม่อ่านหนังสือไม่เรียนหนังสือพ อ, อมีโรงเรียนก็ดาก็าอีกไรถ้าอะไรแล้วเขาอักวัต นั่นต้องอ่านหนังสือเยอะๆนะมุสลิมต้องอ่านหนังสือนะแล้วอ่านคัมภีร์กรุรอานนี่แหละอ่านเยอะๆเรื่องที่สองถือสนโอดด้วยต้องอักอมุสลันนามาดคำว่านามาดในร่วงอะไรบ้างหนึ่งถ้ายืนต้องเรียนนะว่นนานบียืนยืนยืนยนังไงขานาบีชิดขนาดไหนหรือกว้างขนาดไหนกับคนที่สองเป็นยังไงต้องเรียนหมดเลยนะแล้วก็รูควะทำยังไงยกมือแค่ไหน อยะตีดานทํำยังไงสุยูดทํำยังไงพยายามศึกษาว่านบีสอนยังไงนั่งอัตไหยาทํำยังไงโอ้ต้องเรียนหมดนะให้สลามนะให้แค่ไหนก็ต้องเรียนหมดจนกว่าจะตายน่ะบางคนเรียนตอนกอนฟรดูเอ็ตอนนี้ไม่เรียนแล้วฉันก็จําอยู่ท่าเดียวนั่นแหละมันก็ต้องเรียนก่อต้องเรียนต้องเรียนต้องพัฒนาต้องซื้อหนังสือมาอ่านอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต่อมาครับ ว่าอัลฟากูในเรื่องที่สามนะจงไม่จช่จงสิแล้วก็พวกเขาบริจาคอาบริจาคมิมมาโรซักนาฮุมเนี่ยลเล่าไม่ฟังนะกลักวกลัวจะคิดผิดว่าเงินหาจันหามาเองมิมมารรซักนาผมเราได้ประทานเป็นเครื่องยังชีพให้กับเขาเหล่านั้นไม่ใช่คุณหาเองเห็นยังครับเตือนอยัง รอเพราะคนหลายคนพอมีเงินปั๊บน่ฉันหายเองสติปัญญาความรู้ของฉันเอาลอมไม่เกี่ยวแบบค้ายกอรูแล้วเป็นไงครับให้แผ่นดินสูงแล้วเป็นไงอะ่ะฉะนั้นอย่าคิดว่าจะมีเงินมากนะ้อยอีเรื่องหนึ่งนะแต่ทั้งหมดเหล่านี้เอาลอให้ประทานทีนี้บริจาคแบบไหนครับซิรรอย่างลับๆเห็นมให้แบบลับๆ อีกขดิษหนึ่งนบีสอนคนที่อยู่ใต้บันลังของอัลลอฮ์ในวันตียมะมีอยู่เจ็ดจำพวกนะอันนี้รอเข้าสวรรค์นะเจ็ดจำพวกนะี้นบีแค่นี้แหละไม่ใช่9ไม่ใช่แ7เจหนึ่งคนนี้เป็นอิหมามที่อาดินยุติธรรมตัดสินคนไม่เข้าขางใครสองเด็กหนุ่มที่นาชอาฟรียอิบาดลติรบบีอันอันที่สมคนที่รักการเพื่ออัลลอ์ แยกการกับเพื่ออัลลอฮ์คนที่สี่ก้อนบุญอัลละกุนบิลมาซายิตหัวใจที่โยงกับอัลลอ์ทุกครั้งที่จะนึกถึงนามาดข้อที่ห้าผู้หญิงที่จีบผู้ชายให้ผู้ชายไปทำดินาไม่กล้าไปเพราะกลัอลลอ์ Allah. ข้อที่หบริจาคมือขวามือซ้ายไม่รู้นี่ไงซิกรบริจาคแบบลับๆข้อที่เจนี่อยู่คนเดียวแล้วร้องไห้เนี่ยเจ็จพวกนี่นะรกเข้าสวรรค์นนะนอกนั้นตกนรกหมดนะ่ะ อจากนั้นการบริจาคเป็นศาสนาครับต้องบริจาคสม่าเสมอด้ดยนะัสตริร้อนแบบไรนะแบบลับๆว่าอาลานียตันแล้วก็แบบเปิดเผยด้วยไอแบบเปิดเผ ย, ยต้องการอะไิบายไงให้คนอื่นเขาเห็นเขาจะบริจาคตามเห็นไหมหนึ่งอ่านคูอ่านสม่าเสมอสองนามาธยาขาดสุนัขเก็บให้หมด ข้อที่สบริจาคสิ่งที่เราได้ประทานเป็นเครื่องยังชีพแก่เขาเหล่านั้นทั้งที่รับและที่แจ้งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะยรยนะพวกเขาหวังติยาเราจันเป็นการค้านี่ต้องการจะอธิบายกุรอ่ า, านอยนนี้ให้นักธุรกิจฟังด้วยมันเข้าใจง่ายอะ่ะคนที่ไม่ค้าขายเนี่ยเข้าใจยาก นัค้านักขายอ๋อติยารอฉะนั้นการนมาสกาเป็นติยาระชนิดหนึ่งการอ่านคัมภีร์คูณอ่านก็เป็นติยาระนะการบริจาคก็เป็นติยารออมาถือเป็นเป็นการค้าใช่ไหมทีนี้อายาที่ผ่านมาเนี่ยอายาไหนก็ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยอายาที่ผ่านมาเอาแปรก่อนแปรก่อนนะครับ ติยาโรลันต บ, บูการค้าที่ไม่ขาดทุนการค้ามีสองอย่างส่วนใหญ่จะมีขาดทุนกับกําไรจะมากแต่อายานี้ของการจะบอกเรื่องขาดทุนไม่มีมีแต่กําไรอย่างเดียวมีธุรกิจไหนที่มีแต่กําไรกําไรไม่ขาดทุนนะมีไหมมีอยู่รายการเดียวหนึ่ง إيمان ต่อ Allah, อ, อัลลอฮ์ไม่ขาดทุนสอง إيمان หประการไม่ขาดทุน แล้วก็รุกลอิสลามอีกห้าประการไม่ขาดทุนแล้วก็อ่านกุณอ่านไม่ขาดทุนยืนนมาศไม่ขาดทุนบริจาคทรัพย์สมบัติทํำที่รับละที่แจ้งไม่ขาดทุนนี่เป็นการค้าที่ติยารอเป็นการค้าที่ไม่ขาดทุนเลยดีหรือไม่ดีสบายใจไหมนี่ปลอบใจนบีและปลอบใจพวกเราวันนี้ว่าที่เราอยู่ในศาสนาอิสลามเนี่ยอเมริกามันก็ด่ายูดีก็ด่า สั่งฆ่าคนนั่นฆ่าคนนี้วางแผนทำลาอิสลามบอกกันบีไม่ต้องไปไม่ต้องไปกลัวนะระยกอะไรนะอะไรนะอลัลลอฮ์เนี่ยจะชนะรอซูลของอลัลลอ์ทุกคนที่ส่งมาชนะหมดผู้ศรัทธาทุกคนชนะหมดนี่ฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมนี่ที่เขาอยู่ในอิสลามเลยนะเหมือนกับทำธุรกิจ แต่ธุรกิจกับอัลลอฮเนี่ยขาดทุนหรือกำไรนี่พูดไว้เลยนะลันตะบูธุรกิจอันนี้ไม่ขาดทุนมีแต่กำไรกาไรกำารกาไรคุรานายะอื่นนะครับอธิบายอย่างนี้ฮัลลดุลลูกุมอาลาติยาลอตินตุนจีคุมินอาดาบินอลิมจะบอกกับพวกท่านเอาไหมนี่อัลลอฮบอกกับนบีนะฉันจะพูดเรื่องการค้าที่ทำให้คุณปลอดภัยจากการลงโทษใช่ไหม ตุเมนูนับบิละ AH, ละอีมานต่ออัลลอฮ์ละอีมานต่อรอซูลวะตุจัยดูนัฟีสบิฮินแล้วก็เคลื่อนต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์เสียสละตัวของเขาดูแลศาสนาของอัลลอฮ์ดีอัมวานีกุมด้วยเงินของท่านและตัวของท่านนี่เป็นการค้าที่ไม่ขาดทุนตัวเรา่ออยู่ในศาสนา อ, อิสลามนี่ไม่ต้องไปกลัวขาดทุนนะมิตรดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้ น, น, น, นสบายใจไหม ทำดิลเลอร์ท่านซอบาลนบีเป็นนักธุรกิจกันค้าขายกันหมดบางคนก็ค้าขายขาดทุนมีไหมมีแต่พอมาเป็นมุสลิมครับอิมานต่ออัลลอฮ์อิมานต่อรสนเรียนอัลกุรอานบริจาคนำมาสม่ำเสมอเป็นการค้าที่เรื่องขาดทุนไม่มีมีแต่กําไรกําไรกําไรกําไรอัลฮัมดุลิเลอร์ก่อนจะจบมีนักวิทยาศาสตร์ ของญี่ปุ่นนะไปวิจัยเรื่องน้ำชื่อมาซารุอิโมโตะมาซารุอิโมโตะมาซารุอิโมโตะไปวิจัยเรื่องน้ำสรุปแล้วนะในร่างกายของคนเนี่ยอะไรมากกว่ากันน้ำาะเสบ ฉค่นั้นเขาเอาใบวิจัยเอากู่นอ่านมาเปิดให้นาฟังเอานามดับดมาใบวิจัยโมเลกุลที่ออกมาสวยมากเลยแล้วก็ข้าวเหมือนกันเขาเขียนว่าชั้นเกลียดฉันเกลียดฉันเกลียดฉันเกลียดไสโลเอาไว้แล้วราขึ้นแล้วข้าวอีกอีกอย่างหนึ่งเข้า ที่ห่วงแล้วนี่นะพูดว <hi> ่าฉันรักฉันรักฉันรักฉันรักข้าวไม่เสียนะสองวันสาวันอธิพูดว่าฉันเกลียดฉันเกลียดฉันเกลียดฉันเกลียดข้าวขึ้นราหมดเลยอ่ะแต่ไอ้ข้าวที่พูดว่าฉันรักฉันรักฉันรักฉันรักข้าวนีงไม่เสีย ال สรุปแล้วว่าในร่างกายของคนนะพูดดีอย่างเดียวฉะนั้นเราน่ยมีทางออกแล้วคนที่อ่านคุณอ่านสม่ําเสมอ กับคนที่นามายครบห้าเวลากับคนที่บริจาคซั์ทั้งยามรับและเปิดเผยก็ตามนะครับโมเลกุลในน้ำที่อยู่ในร่างเราเนี่ยจะสวยขนาดไหนจะดีขนาดไหนนี่เป็นคําอธิบายจากกุณอ่านอาย่างนี้ฉะนั้นอย่าอย่าพูดอะไรไม่ดีฉันเกลียดเธออย่าไปพูดนะฉันรักเธอดีกว่าลูกกับมักันอย่าไปพูดดานะผู้ชมอล๋อภรรยายเราก็ผู้ชม เธอทําอาหารอร่อยมากเนี่ยโลลชื่นใจนั้นโมเลกุลในน้ํำเราในตัวเรามันน่าก่อนเนื้อใช่ไหมล่ะจะออกมาจะสวยขนาด น, นั้นฉันพูดดีอย่างเดียวคิดดีอย่างเดียวฉะนั้นอ่านคุณอ่านเป็นเรื่องดีน้ำมาดไปเรื่องดีการบริจาคเป็นเรื่องดีทำให้โมเลกุลในน้ําเนี่ยแต่คนนี้นะมาสารุวีมาตัวรับอิสลามไปแล้ว ไปวิจัยเรื่องน้ำเอาน้ำไม่ดีน้ำทั่วโลกนะ่ยกจบด้วยน้ำจำๆกับเสียงกุรอาตัวนั้นเองข้ามไปแล้วโมเลกุลออกมาสวยมากครับ س าน ا กุลลอฮฺมนะวอบห้คามดิกิลาอิลลาอิลลาอันตะอัสตักลูกะวะตูบิลฮ์ความดุลกิ